โรงงานเก่าแก่ชำรุดผลิตของไม่ดีออกมาโรงงานในจิตนครทั้งหลายรวมเข้าเฉพาะที่สำคัญสำคัญก็มากกว่า40โรงงาน แต่และโรงงานเดิมไม่ยังใหม่ๆก็ผลิตสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างดีทั้งโดยคุณภาพและปริมาณชาวจิตนครมีสิ่งต่างๆบริโภคอุปโภคเพื่อดํารงชีวิตอยู่เป็นสุขและสนุกสบายทั้งงดงามไปทั่วเมืองไม่มีสิ่งไรบกพร่องเป็นสมัยที่สมุทรไทยสบายใจที่สุดประชาเมืองพากันสนุกสบายดังที่ฝ่ายคู่บ ร, รมีเรียกว่ามัวเมาอยู่ในวัย ในความไม่มีโรคในชีวิตและในความพรั่งพร้อมทั้งปวงไม่จําต้องสร้างมายาอะไรขึ้นความพรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในจิตนครเองเป็นเครื่องทําให้ชาวจิตนครพากันหลงระเริงยินดีสมุทรไทยเพียงแต่คอยสร้างภาพยนตร์อารมณ์ส่งเสริมความสุขสนุกสนานให้ยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งสร้างสถานบําเรอบํารุงต่างๆเกลื่อนเกลเอทั่วไป คล้ายกับเมืองที่เรียกว่าซีเวไลทั้งปวงในปัจจุบันแต่ต่อมาเมื่อโรงงานทั้งหลายแก่เก่าชำรุดประกอบทั้งธรรมชาติแวดล้อมจิตนครปรากฏเป็นภูเขาวงแหวนมหือมากระชับเงื้อมงั้นเข้ามาโดยรอบและภายในจิตนครเองก็มีอาการแปลปรวนสุดโสมลงทุกอย่างตั้งกล่าวมาโดยลำดับโรงงา น, านทั้งหลายก็พลอยิ่งชารุดและลดจานวน และคุณภาพสิ่งที่ผลิตออกมาลงไปทุกทีปรากฏผลเป็นความไม่เพียงพอไม่งดงามขึ้นทั่วไปยกตัวอย่างเช่นโรงงานเกษาทำผมเดินผลิตผมออกมามีสีงดงามดำสนิทคือสำหรับชาประเทศผมดำเช่นไทยเราและมีจำนวนมากเพียงพอปกส่วนศีสะเมืองทั้งหมดแต่ต่อมาเมื่อโรงงานเก่าแก่ชำรุด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 เป็นเส้นละเอียดเล็กน้อยเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาทำให้สมุทรไทยต้องเข้ามาทำมายาปิดบังด้วยวิธีต่างๆเช่นทายาย้อมผมให้ใช้เพื่อให้มองดูดำสนิทเหมือนอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นและสอนวิธีหวีส่วนที่มีมากไปปิดส่วนที่บกพร่องหรือสร้างผมปลอมขึ้นสวมทั้งสอนวิธีดัดแต่งต่างๆต่อสู้กับสัจจะของธรรมชาติอย่างเต็มที่ โรงงานตะโจทาหนังที่แรกผลิตหนังออกมาตึงเรียบเปล่งปลั่งงดงามเมื่อเก่าแก่หนังที่ผลิตออกมาหย่อนย่นสีคล้ำหมองสมุทัยสอนวิธีใช้แป้งสีตกแต่งต่างๆจนถึงใช้วิธีผ่าตัดดึงที่หย่อนให้ตึงแต่เมื่อเก่าหนักๆเข้าถึงย่นเป็นเกลียวกล้านหยาบเหลือที่จะตกแต่งสมุทัยก็แนะนําให้พอกแป้งเข้าไว้ จนเหมือนอย่างใช้ปูนโบกผนังตึกนักเข้าสมุทรไทยก็เหลือกำลังจะแก้ไขแต่ก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรจะสร้างโรงตะโจให้ใหม่แทนโรงเก่านี้สิ่งประกอบเป็นจิตนครและระบบงานจิตนครจำต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตขึ้นจากโรงงานทั้งปวงนี้มาประกอบเป็นจิตนครขึ้น ตั้งต้นแต่จุดแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันเรียกว่ากลลละหรือบางคนในปัจจุบันเรียกว่าเซลล์จุดเริ่มต้นแห่งจิตนครองค์พระบ ร, รมครูทรงเรียกว่ากลลละดังกล่าวและพระอาจารย์ผู้สิทธิของพระองค์อธิบายว่าประมาณหยาดน้ำมันงาที่ติดปลายได้ที่ฟันด้วยปลายขนทรายสาเส้นคือเป็นอย่างหยาดน้ามันงานหนึ่ง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 แต่ละหมวดรับผิดชอบแตกต่างกันแต่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเซล์เหล่านี้ยังประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อและเนื้อตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปประกอบขึ้นกันเป็นอวัยวะเช่นกระเพาะอาหารลำไส้ตับอวัยวะที่ทำหน้าที่รวมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะจะรวมกันเข้าเป็นระบบตามหน้าที่ของแต่ละชนิด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 3. ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของจิตนักพรให้ปฏิบัติและประสานงานกันควบคุมความคิดและความประพฤติทําให้เห็นได้ได้ยินได้ได้พูดได้ได้เคลื่อนไหวได้ควบคุมหน้าที่ของอวัยาวะภายในให้ดําเนินไปโดยปกติรับความรู้สึกต่างๆจากภายนอกโดยรอบและบอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร ควรจะจัดการปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น 4. ระบบการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของจิตนคร 5. ระบบหายใจประกอบกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจได้แก่จมูกช่องจมูกปอดโครงกระดูกกระบังลม และกล้ามเนื้ออื่นๆที่เกี่ยวกับการหายใจเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างโลหิตกับอากาศโดยรับเอาออกซิเจนเข้าไว้ถ่ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้ความร้อนอยู่ในระดับปกติเป็นต้นในเวลาหายใจเข้าช่องอกจะขยายโตขึ้นทุกทุกทางทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างโดยรอบกล้ามเนื้อบางส่วนหดตัว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 ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานทั้งปวงในจิตนครมีความจําเป็นแก่จิตนครเพียงไรอนนี้จังคือความไม่เที่ยงทั้งหลายของจิตนครคือจากโรงงานเป็นต้นเหตุทั้งสิน้นเมื่อโรงงานเองก็ไม่เที่ยงคือแปลเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่าจากแข็งแรงเป็นชั่รุดชุดซอมสิ่งที่โรงงานผลิตขึ้นก็ย่อมต้องเสื่อมคุณภาพไปด้วยคือย่อมไม่เที่ยงไปด้วย และความไม่เที่ยงนี้จะแก้ให้กลับเป็นเที่ยงหาได้ไหมวิธีจะรับความไม่เที่ยงที่ถูกต้องสมควรที่สุดจึงไม่ใช่อยู่ที่พยายามใช้วิธีของสมุทรไทยเข้าปกปิดแก้ไขแต่ต้องอบรมปัญญาให้เกิดให้ตระหนักในความจริงว่านั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องแปลโปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาระบบงานต่อและ พยาธิภัยเกิดผสม 6. ระบบย่อยอาหารและถ่ายเทประกอบด้วยหลอดจากปากลงไปและอวัยวะต่างๆเช่นลิ้นต่อมน้ำลายมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารดูดอาหารเข้าไปและช่วยระบายอาหารออกด้วย 7. ระบบขับถ่ายปัสสาวะประกอบด้วยอวัยวะในระบบขับถ่ายทั้งปวง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 ระบบทั้ง9ก้านี้ต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตจากโรงงานในจิตนครมาประกอบขึ้นเมื่อโรงงานเก่าแก่ชำรุดระบบเหล่านี้ก็พลอยชำรุดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ปรากฏความบกพร่องชัดเจนขึ้นทุกทีถ้าทั้งห้าผู้เป็นอธิบดีกรมโรงงานได้ร่วมกันป ร, ปรับปรุงแก้ไขเต็มที่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้เหมือนอย่างเดิม พอปะทะปะทางไปซ้ำยังแถมเกิดภัยขึ้นอีกชนิดหนึ่งชาวจิตตนครเรียกว่าพรยาธิภยัยมีเฉพาะในจิตตนครเท่านั้นอันที่จริงภัยนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอแต่เมื่อจิตตนครยังดีภูเขา ว, วงแหวนยังล้อมอยู่ไกลยังไม่มีอาการแปรปรวนภายในโรงงานทั้งหลายก็ยังทํางานผลิตสิ่งทั้งหลายป้อนระบบงานในจิตตนครอยู่อย่างดี พยาธิไัยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็ไม่ทำให้จิตนครต้องลำบากอะไรนะักทั้งระบบการรักษาพยาบาลก็ดีขึ้นมากครั้นจิตนครโสมลงมีภูเขาเมือมาวงรัดเข้ามาใกล้พยาธิไัยก็พลอยเกิดผสมรุนแรงขึ้นทั่วไปท่าท้งห้าเป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่เคยหัวเราะเยาะพยาธิไพัเพราะทนงในความแข็งแรงธรรมะธรรมแงของตนว่า พญาธิภัยทำอะไรไม่ได้ปัดนี้หัวเราะไม่ออกเสียแล้วต้องป่วยเจ็บลงเพราะพญาธิภัยนครสามีรีบส่งแพทย์หลวงไปรักษาก็พอได้ผลขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อนจิตนครได้กลายเป็นนครแห่งอันตรายใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วฝ่ายนครสามีพร้อมด้วยชาวเมืองทั้งปวง ได้มองเห็นอันตรายที่คืบคลานเข้ามาใกล้เดืรอบทั้งกองทัพทั้งสองฝ่ายก็กำลังประชิดกันอยู่การสับประยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ได้มีความสะพรั่นพลึงตกใจมองหาที่พึ่งป้องกันอันตรายสมุทัยเองก็ได้แลเห็นภัยธรรมชาติดังกล่าวซึ่งผลอำนาจของสมุทัยจะครอบงำได้คือไม่มีอำนาจจะไปผลักกัน้นภูเขาวงรอบจตนนครให้ถอยกลับไปได้ ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขความชํารุดสุดทรมภายในจิตนครทั้งไม่สามารถป้องกันพยาธิภัยสมุทยเก่งกาจในทางใช้มายาต่างๆปกปิดอําพรางไม่ให้สัจจะปรากฏแก่ตาใช้อารมณ์อําพรางใจไม่ให้คิดเห็นเพราะสิ่งที่สมุทยกลัวอย่างที่สุดก็คือสัจจะความจริงและสิ่งที่กลัวนี้ ได้ปรากฏขึ้นอย่างไม่อาจจะปกปิดอำพรางได้เสียแล้วการบริหารจิตที่ให้ผลเต็มที่คือการบริหารจิตให้สามารถยอมรับสัจจกความจริงโดยไม่หวัดกลัวเป็นต้นว่าการยอมรับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงจากไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้ตลอดไปแต่จากต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแก่เท่าเป็นธรรมดาการต่อต้านด้วยวิธีใดๆก็ตาม จกไม่เกิดผลได้จริงหนทางเดียวที่ควรทำอย่างยิ่งคือแลให้เห็นสัจจความจริงสมุทรไทยประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายคนครสามีเห็นภัยเฉพาะหน้าสมุทรไทยได้เปิดประชุมหารือกับคู่อสวะและสังโยชน บ, บดีแม่ทัพใหญ่สังโยชอย่างเคร่งครัด ที่ประชุมให้รักษาควบคุมนครสามีไว้ในอำนาจทุกวิถีทางและให้ทําลายกองทัพใหญ่มรคลงให้ได้และถ้าจิตนครจะต้องเป็นอันตรายเพราะภูเขาวงแหวนกลิ้งมาบดขยี้ก็ให้คู่อาศาวะรีบลักพานครสามีออกไปยังสถานที่นัดหมายเพื่อจะได้อพยพออกไปพร้อมกับกองทัพใหญ่สังโยชดแต่ให้ดําเนินการตามแผนการที่หนึ่ง คือควบคุมนครสามีไว้ในอำนาจก่อนเมื่อได้หารือตกลงกันเรียบร้อยแล้วต่างก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้ตกลงกันครูอาศาวะได้พยายามเข้าใกล้ชิดควบคุมนครสามีอยู่ตลอดเวลาคอยเติมอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่ทำให้หลงเข้าใจผิดพบความเป็นเราที่เที่ยงยั่งยืนและกาม ความรักความใคร่ในตัวเราเป็นต้นทำให้นครสามีเข้าใจผิดว่าภูเขาวงล้อมนั้นเป็นภูเขากระดาษใช้ไม่ขีดก้านเดียวก็จะเผาเสียได้ตัวเรานี้ใหญ่โตที่งแท้สมุทัยจะให้เป็นเจ้าโลกแต่ผู้เดียวเมื่อเราเป็นเจ้าโลกเราก็จะบงการโลกแต่ผู้เดียวไม่ต้องมีเป็นหลายฝักหลายฝ่าย ทุกฝ่ายจะอยู่ในอำนาจของเราจะรวมกันเป็นฝ่ายเดียวคือฝ่ายของเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเราแต่ผู้เดียวความชำรุดเสื่อมโทรมภายในตลอดถึงโรงงานต่างๆระบบต่างๆที่เก่าแก่สุดโทมสมุทรไทยก็รับว่าแก้ไขได้โรงงานไหนเก่าเหลือจะซ่อมหรือทิ้งสร้างใหม่เป็นโรงๆไปนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เก่งมาก สร้างสิ่งเทียมต่างๆได้หลายอย่างตัดตาจากศพมาใส่ตาคนเป็นก็ได้เปลี่ยนหัวใจก็ยังได้ตัดตตัด่ๆๆได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนครสามีได้เกิดอารมณ์รักตัวกลัวตายขึ้นอีกมากมายฝ่ายสมุทัยก็พยายามสร้างมายาปิดบังอัมพรางสัจจะใส่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะและความมัวเมาต่างๆเข้าในจิตนครอีกมากมาย เช่นเดียวกันสังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่สังโยต์ก็สั่งกองทัพใหญ่สังโยต์เตรียมพร้อมที่จะบทขยี้กองทัพใหญ่มรรคในเมื่อถึงจังหวะแต่สมุไทยกับพักพวกหาได้สามารถควบคุมนครสามีได้ตามประสงค์ไม่พระคู่บา ร, รมีก็ได้คอยเฝ้ารักษาอยู่ใกล้ชิดเช่นเดียวกันและคอยเพิ่มเติมบา ร, รมีทำต่างๆให้แก่นครสามีเป็นต้นว่า ปัญญาบา ร, รมีประกอบกับนครสามีเองก็ได้ถึงพระรัตนไตรัยเป็นสระนเฉพาะตนครั้งหนึ่งพร้อมกับชาวจิตนากรทั้งปวงเมื่อกองทัพใหญ่มักแสดงกำลังอีกครั้งหนึ่งจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้อันวิเศษของนครสามีจึงแจ่มใสขึ้นการเดินสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชนัดมาการแสดงกาลังของกองทัพใหญ่มัก ได้มีประโยชน์มากเพราะทาให้นครสามีได้รู้ได้เห็นทั้งสองฝ่ายตามเป็นจริงได้ประจักษ์พร้อมกับชาวจิตนครในที่สุดการแสดงกาลังของกองทัพใหญ่มักว่าโดยที่แท้สมุทยคือบ่อกเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงหาใช่บ่อกเกิดแห่งสุขที่แท้จริงไม่ดังที่ได้มีเสียงร้องอื้ออึงขึ้นของชาวจิตนครเมื่อสิ้นขบวนวิชาที่8 เป็นการเปิดหน้ากากของสมุททยออกให้เห็นสัจจะของสมุททยโดยแท้จริงทารู้ของนครสามีจึงเจาะแทงทะลุบรรดาอารมณ์และมายาทั้งปวงของสมุททยออกมาเห็นภัยเฉพาะหน้าของจิตนครตามเป็นจริงอันสัจจะคือความจริงนั้นต้องเป็นสัจจะคือความจริงเสมอผู้บริหารจิตควรได้ศึกษาให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้เป็นสัจจะ แล้วอบรมจิตใจตนเองให้เกิดปัญญาเห็นตามที่ทรงแสดงไว้ให้ได้จะได้พ้นจากอำนาจของสมุทัยที่พยายามนำมายามาหลอกล่ออยู่เสมอและการพ้นจากอำนาจของสมุทัยได้นั้นเป็นการก้าวล่วงทุกข์ได้อย่างแท้จริงมากน้อยตามควรแก่กำลังของปัญญาคู่บรารมีแนะนำบุญกิริยาวัตถุ ภัยของจิตตนครที่ปรากฏแก่ธาตุรู้ของนครสามีคือภูเขาที่วงล้อมรุกเข้ามานั้นหาใช่เป็นภูเขากระดาษใหม่แต่เป็นภูเขาหินล้วนน่าสะพึงกลัวตัวจิตตนครเองที่กําลังเก่าแก่อยู่ก็ไม่อาจซ่อมให้กลับคืนดีเหมือนดั่งเดิมได้และตัวโรงงานเองจะรื้อสร้างใหม่หาได้ไหมว้นไว้แต่จะสร้างซ่อม ส, ส่วนเล็กส่วนน้อยบางส่วนเท่านั้น ภูเขาวงแหวนดังกล่าวกลิ่งใกล้เข้ามามากแล้วจิตนาลครนจะต้องถูกบทละเอียดเป็นแน่แท้ความรู้สึกหยิ่งพยองในตัวเราที่ใหญ่โตจะเป็นเจ้าโลกได้หายไปกลายเป็นตัวเราที่ขาดกลัวต้องการแต่ที่จะหนีจากภัยที่กำลังคุกคามอยู่ความรักตัวได้เกิดขึ้นแก่กล้าพร้อมกับความใหญ่โตแห่งความกลัว เมื่อธาตุรู้ของนครสามีจำจรัดขึ้นในสัจจะดังกล่าวขัวาสาวะก็ต้องถอยห่างออกไปทันทีไม่อาจจะอยู่สู้แสงของธาตุรู้ได้ส่วนคู่บา ร, รมีได้ปรากฏขึ้นในที่ใกล้ชิดทันทีทั้งที่ได้คอยเฝ้าอยู่ใกล้ชิดแต่ก็ไม่ปรากฏชัดมาปรากฏชัดเมื่อธาตุรู้แจบขึ้นทำให้นครสามีเกิดความปีติโสมนัสว่า ได้พบมิตรที่แท้จริงอันจะอาศัยเป็นที่พึ่งได้แล้วเป็นเหตุให้ความกลัวหายไปเกือบหมดสิน้นเหมือนอย่างคนตกน้ํากําลังว่ายน้ํากระเดือกกระเดือกเกือบจะสิ้นกําลังและจะหมดหวังในชีวิตอยู่แล้วพลันได้เห็นแพรลอยมาถึงก็กลับมีหวังรีบขึ้นแพรยึดแพรเป็นที่พึ่งพํานักโดยเร็วนครสามีก็ยึดคู่บา ร, รมีเป็นแพรที่พึ่งพํานักทันที ภูประมีได้เตือนขึ้นทันทีว่าขอให้นครสามีและชาวเมืองจิตตนะครทั้งหมดตั้งจิตระลึกถึงองค์พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งกำจัดภัยเถิดอย่านึกถึงสิ่งอื่นให้เป็นการไม่แน่นอนเป็นการโลเลให้นึกน้อมใจถึงพระรัตนตรัยเท่านั้นและขอให้ฟังคาสั่งสอนของพระองค์ ที่ท่านภาษา v o ได้ฟังมาดังนี้ว่าครั้งหนึ่งองค์พระบรมครูได้ตรัสแก่พระเจ้าประสิทธิกโกศลแห่งโกศลรัฐว่าถ้าจะมีบุคคลที่เชื่อได้มาจากทิศ ท, ทั้งสกราบทูล พ, พระเจ้าประสิทิว่าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงจดฟ้ากลิ้งบทสัตว์โลกทั้งปวงมาในทิศ ท, ทั้งสี่ขอพระมหาราชาจงทรงทํากิจที่ควรทํา จะทำในการป้องกันเมื่อมหาภัยบังเกิดขึ้นอย่างนี้ซึ่งจะทำให้หมู่มนุษย์สิ้นไปอย่างทารุณทั้งที่ความเกิดเป็นมนุษย์เป็นการที่ได้โดยยากพระองค์จะทรงทำอย่างไรพ ร, พระเจ้าปเสนทิกราบทูลองพระบรมครูว่าเมื่อมหาภัยบังเกิดขึ้นอย่างนั้นจะไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทาได้นอกจากธรรมจริยาความประพฤติธรรม สมจริยาความประพฤติสมควรกุศลกิริยาความทำกุศลบุญกิริยาความทำบุญองค์พระบรมครูจึงตรัสแก่พระเจ้าประสิทธิต่ตอไปว่าชราและมรณะก็เหมือนอย่างภูเขาใหญ่สูงจดฟ้านั้นเมื่อชราและมรณะครอบงำสัตว์โลกทั้งสิ้นอยู่จะพึงทำอย่างไรพระราชากราบ ทูลว่าไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทําได้นอกจากธรรมจริยาสมจริยากุศรจริยาบุญกิริยาเช่นเดียวกันแม้จะมีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพทหารราบที่จะรบชนะครอบครองโลกทั้งหมดได้แต่จะไม่อาจรบชนะชาราและมรณะได้แม้จะมีมหาอัมมัดมนตรีผู้ชาญฉลาด อาจทำลายค่าศึกด้วยมนกลวิธีต่างๆแต่ก็จะไม่อาจเอาชนะชารามรณะด้วยมนกลวิธีดังกล่าวได้แม้จะมีเงินทองมากมายในแผ่นดินในอากาศอาจที่ล่อค่าศึกด้วยทรัพย์แต่ก็ไม่อาจจะซื้อจากชารามรณะได้เพราะไม่มีคติวิสัยที่จะเอาชนะด้วยสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นเว้นไว้แต่ธรรมจริยา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 กราบทูลของพระราชาและได้มีเสียงกล่าวสรุปว่าผู้เขาหินล้วนสูงจดฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาในสีทิศหมุนเวียนอยู่โดยรอบแม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายทั้งขติยะทั้งพรามทั้งเวททั้งสูตรทั้งจันทานและคนเทขยะฉันนั้นความแก่ความตายไม่ล้วเว้นใครเลย ยอมครอบงำย่ำยีให้อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นไม่มีภูมิที่จะยกกองทัพช้างมา้ารถคนเดินเท้าไปรบกับความแก่ความตายนั้นทั้งไม่อาจจะรบชนะด้วยมันตยุทธ์หรือด้วยรั์เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมองเห็นประโยชน์ของตนเป็นคนทรงปัญญาพึงตั้งศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพฤตธธรรมด้วยกายวาจาและใจอยู่ในโลกนี้ก็เป็นที่สันเสริญละไปก็จะบันเทิงในสวรรค์องค์พระบรมครูได้ทรงสอนไว้ดังนี้ฉะนั้นขอให้พากันพระพฤตธธรรมพากันทำบุญทำกุศลเถิดนักรสามีพร้อมด้วยชาวจิตนครทั้งสิน้นพากันตั้งศรัทธาในพระรัตนตรยัยมั่นคง และพาการประพฤติทำบำเพ็ญบุญกุศลกันทั่วทั้งเมืองคือพาการทำทานสมาทานรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาคืออบรมใจและปัญญาวิธีอบรมใจนั้นครูบา ร, รมีแนะนำให้อบรมในเมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาแผ่ไปทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจงคือทั่วไปชำระ จ, จิตให้ปราศจากโทสะพยาบาท วิหิงสาริศยาและราคาวิธีอบรมปัญญานั้นคู่บรมีแนะนำให้อบรมธาตุรู้ให้มองเห็นสัจจทั้งหลายให้แจ่มชัดเปิดอารมณ์มายาโมห oh ะที่ปิดบังออกเสียให้จงได้ทุกคนในจิตนครได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่บรมีความหวาดกลัวทั้งปวงได้สงบไปเกือบหมดสิน้นด้วยอำนาจของบุญกิริยา พร้อมด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยคู่บา ร, รมีมองเห็นว่าถึงว่กาศแล้วที่จะส่งทูตทั้งคู่คือสมถะและวิปัสสนาให้เข้ามาสู่จิตนครโดยด่วนจึงแจ้งเรื่องทูตทั้งคู่นี้แก่นครมสามีว่าได้มีทูตคู่หนึ่งกำลังจะเข้ามาสู่จิตนครทูตคู่นี้องค์พระบรมครูทรงส่งมาช่วยพร้อมทั้งพระพุทธศาสตร์ นครสามีได้ฟังก็เกิดความปลื้มปีติว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเลยทรงช่วยในคราวที่ขับขันที่สุดดังนี้จึงเร่งคู่บา ร, รมีรับเข้ามาโดยเร็วคู่บา ร, รมีหาได้ทิ้งนครสามีออกไปไม่ได้น้อมจิตอัญเชิญทูตทั้งสองเข้ามาสู่นครฝ่ายทูตทั้งคู่ทราบการอัญเชิญโดยกระแสจิตแล้วจึงตรงมาสู่จิตนครโดยด่วน ฝ่ายสมุทรไทยผู้ที่ได้สังเกตเหตุการณ์ทุกอย่างกําลังดําเนินไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่บา ร, รมีเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องเปิดการสับประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วและไม่อาจจะรอช้าอยู่ได้จําจะต้องเริ่มใช้กําลังป้องกันไม่ให้ทั่วทั้งคู่นั้นเข้าเมืองให้จงได้จึงสั่งให้อารมณ์กับนิวรพร้อมกับสมุนทั้งปวงจู่โจมแย่งทวารเมืองจากสติกับอินทรีสองวรและพะพวัว ที่ยึดรักษาทวารเมืองอยู่อารมณ์กับนิวรและพักพวกได้ยกเข้าปล้นทวารเมืองทันทีแต่ก็ถูกสติกับอินทรีสังวรและพักพวกรับไว้และตีให้ถอยร่นออกไปพร้อมกันนั้นสมุทัยได้สั่งให้ทุจริตสแยกไตรทวารอีกส่วนหนึ่งและสั่งให้หัวโจกทั้งสานั้นกับพักพวกอันพานก่อกวนต่างๆ และต่อสู้กับนครบาลคือหิริอต ป, ปะให้ทั่วไปทั้งเมืองแต่ศีลกับวินัยและสุจริตสาพร้อมทั้งนครบาลคือหิริอต ป, ปะก็คงยืนหยัดรักษาไตรทมาลไว้ได้ให้อสติอสัพชัญญะยึดการจราจรแต่สติสัมพชัญญะคงยืนหยัดรักษาไว้ได้ให้อิจฉาโลภะมัฉริยะแย่งคลังทรัพย์สินแต่สันโดษ คงรักษาไว้ได้ให้มิจฉาทิฐิและอโยนิโสมณสสิการและมายาชิงสมองเมืองแต่สามารถทิฐิกับโยนิโสมณัสสิการและสัจจารักษาไว้ได้ให้ประมาทธรรมยึดใจกลางเมืองแต่อัปรมาทธรรมคงรักษาไว้ได้นอกจากนี้ให้กิเลสตัณหาทั้งหมดก่อกวนความสงบทั่วทั้งเมืองแต่ธรรมขันธ์ทั้งหลาย ที่มักคบดีส่งออกไปช่วยตรวจตราเมืองคล้ายกับส่งกำลังทหารออกช่วยตำรวจก็คงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งจับกุมปราบปรามพวกก่อกวนความสงบสุขของเมืองจนสงบลงได้ทั่วไป